หลังจากนั้นก็บวชอุทิศแด่พระผู้มีพระภาคถวายชีวิตให้แก่พระพุทธเจ้าสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างพระวักกะลีเนี่ยก็ไม่อิ่มไม่เบื่อในการดูรูปพระพุทธเจ้ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์ไล่บอกวักกะลีประโยชน์อะไรด้วยการดูรูปอันนี้ไปไล่นี้เลยพระวักกะลีจะไปฆ่าตัวตายบอกชีวิตนี้ถ้าไม่ได้ดูรูปพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะอยู่ไปทําไมเหมือนนจะไปโดดเขาตายานะพระองค์ก็ไปสงเคราะห์อีกก็เลยบ่ายบรรลุอรหันต์ในอากาศเหมือนกัน พระองค์นี้ทรงมีกา마อันหมายถึงความสําเร็จแห่งประโยชน์ที่ทรงประสงค์เพราะประโยชน์ใดๆที่ทรงประสงค์แล้วปรารถนาแล้วจะเป็นประโยชน์ตนก็ตามประโยชน์ผู้อื่นก็ตามประโยชน์นั้นๆก็สําเร็จสมพระประสงค์ทั้งนั้นอันนี้หมายความว่าพระองค์ได้สิ่งที่ต้องการใช่ไหมต้องการปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เป็นปรารถนาเช่นใดพระองค์ก็ได้สมปรารถนาหมดแล้วในขณะเดียวกันพระองค์ก็ปรารถนาเพื่อที่จะช่วย สงเคราะห์สัรพสัตว์ทั้งหลายใช่ไหมเพระองค์ก็ช่วยเขาได้จริงพระองค์ช่วยให้เขาพ้นทุกข์ได้จริงเนี่ยสมประสงค์ทุกอย่างเลยนะอย่างเช่นพระองค์ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ก็สําเร็จปรารถนาช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์พระองค์ก็ช่วยได้สําเร็จดูว่าพระองค์จะช่วยเราสําเร็จหรือเปล่าเราช่วยเราหรือพระองค์ช่วยเราพอบอกหน้าที่ของพระองค์พระองค์ทําสําเร็จแล้วส่วนหน้าที่ของเราอะนะอยู่ที่เราแล้วนะ โทษพระองค์ไม่ได้เดี๋ยวบาปพระองค์นี้ทรงมีพระปยะตะปยัตะคือสัมมาวายามะอันเป็นเหตุเกิดความเป็นครูของโลกความเป็นครูของพระพุทธเจ้าสําเร็จด้วยความภาคเพียรพยายามเนะเพราะความภาคเพียรของพยายามนี่แหละจึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอันสรุปว่าพักวาเพราะทรงมีพักธรรมพักธรรมมีหกอย่างนะหนึ่งอิสริยะ มีอำนาจเหนือร่างกายและจิตใจสองมีธรรมะคือโลกุตระธรรมสา ม, มีอะไรมียศมียศคือที่เคารพนับถือของชาวโลกมีพระสิริเพราะว่างดงามทั้งร่างกายและจิตใจพระองค์นี้มีกามะคือสำเร็จดังใจหวังเนี่ยนะแล้วก็มีปยตตะคือมีความภาคเพียรพยายามจริงๆเพราะถ้าอ่อนความเพียรแม้แต่นิดเดียวก็บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ ที่เป็นพระพุทธเจ้าได้เพราะความเพียรเพราะความพยายามทีนี้ในที่สี่เลยนะพัวานในที่สี่ว่าวิพัตตวาวิพัตตวาที่แปลว่าจำแนกทำอันหนึ่งเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเป็นวิพัตตวาท่านอธิบายว่าทรงจำแนกเปิดเผยแสดงซึ่งทำทั้งปวงโดยประเภทมีกุศลเป็นต้น นะกุศลนะอะไรจำแนกกุศลอกุศลอพยกตะจำแนกธรรมที่สัมปยุต์กับสุขเวทนาธรรมที่สัมปยุต์กับทุกขเวทนาธรรมที่สัมปยุต์กับอุเบกขาเวทนาธรรมที่เป็นวิบากธรรมที่เป็นกรรมธรรมที่ไม่ใช่วิบากไม่ใช่กรรมเป็นต้นเนี่ยนะธรรมที่เป็นอารมณ์ของกิเลสธรรมที่ไม่เป็นอารมณ์ของกิเลส พันธุ์ทุกอย่างพระองค์สามารถเอามาจําแนกได้ทั้งหมดเลยนะที่เรียกว่าจําแนกตามติกะมาติกาทูกะมาติกาโดยนัยยะต่างๆขณะเดียวกันพระองค์ก็ยังเอากุศลเป็นต้นเนี่ยนะนกุศลอกุศลอภพยาะตะมาจําแนกโดยประเภทมีะนะขันอายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจะสมุบาทเป็นต้นนะปฏิจจะสมุบาตเป็นต้นหมายถึงปฏิจจะสมุปปณธรรมปฏิจจสมุบาทเป็นชื่อของ ปั จ, จปัจปติจจสมุปปณะธรรมแปลว่าผลของปั จ, จัยทั้นพระองค์จำแนกแสดงทั้งเหตุทั้งผลอย่างครบถ้วนบริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยังสามารถจำแนกโดยในยังอื่นอีกเช่นสัจจะก็จำแนกเป็นทุกขาริยสัจทุกขาริยสัจก็ยังขยายลงไปลึกอีกเช่นปีละนะดีคันสังกตะอันปั จ, จัยปรุงแต่งสันตาปะแผดเผาวิปรินามะ แปรปรวนเ น, นะเอามาจำแนกอย่างนี้ได้ทั้งหมดอีกเรียกว่าทุกขศาสตร์ก็ยังจำแนกสมุทยัยศัสตร์จำแนกต่อไปว่าอายุหนะประมวลมานิธานะเป็นเหตุสังโยคะผูกไว้กับทุกปริโพทะหน่วงเอาไว้ไมิให้ถึงมักห้ามเราหน้าดูเลยนะ<ม>ก็คิดดูนะถ้าสมมติถ้าเราได้ผ้าสวยๆนี่เราจะคิดถึงมักไหม หันไปดูอรยิยมรรคเลยนะไม่ค่อยมีอนะยากก็ดูเอาเถอะตอนอาหารอร่อยอร่อยคิดถึงมรรคมังไครปัจเจวกมั้งยกมือขึ้นคุณบัญชูนะยกมือเลยนะสาธุนั่นแหละเจออาหารอร่อยเข้าไปแล้วลืมปัจเจเวกนะลำใหญ่ก็ปัจเจเวกอนยะงนีเงาะทุเรียนอะไรก็เอามาปัจเจวกหมดมันปริพเทศขนาดนั้นนะ่อะอันนีเจอตันหาเข้าไปเนี่ยทําให้ลืมมรรคเฉยเลยอะ่อะนีขนาดไม่ได้ตั้งใจสมาทานประพฤตินะ ที่จริงๆสมาทานนี่สมาทานเอาอริยมรรคใช่ไ้ยแต่ขนาดนั้นพอตันหาแท้เข้ามาลืมหมดเลยนิโรสัจาเนี่ยนะโดยอัฏฐะคือนิสรณะออกจากทุกข์วิเวกะสงัดจากทุกข์อสังขตะอันตจัยไม่ได้ปรุงแต่งอมะตะเป็นสภาวะที่ไม่ตายส่วนอริยมรรคสัพเนี่ยนะโดยอัฏฐะนิยานิกะนาออกจากทุกข์เป็นเหตุคือเป็นเหตุใหถึงนิโรธ ทัศนะเห็นพระนิพพานอธิปไตยะเป็นใหญ่เป็นใหญ่จริงๆใหญ่ด้วยอะไรใหญ่ด้วยคุณธรรมเพราะว่าอริยมรรคนี่ประชุมพร้อมด้วยคุณธรรมทั้งมวลมันพระองค์นี้จําแนกอัฏฐะของอริยสัจอย่างคําว่าอัตตกถาอัตตกถาอัตตกถาก็คือการเอาอัฏฐทั้งสิบหกอัฏฐะอย่างนี้นี่แหละมาขยายให้เห็นเนี่ยนะ แต่ว่าเวลาเราอ่านพระไตรปิฎกแล้วเราจะเห็นเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้คือประเด็นสำคัญแต่ว่าส่วนที่อัตกรถาขยายอัตกรถาจำแนกก็จำแนกหรือขยายให้เห็นเห็นอะไรก็เห็นอัตของอริยสักเหล่านี้ถ้าจํจำแนกขันธาตุอายตนะเมื่อไรที่ไหนก็ตามให้รู้ว่ากาลังจาแนกปีละนะสังคตะสันตาปะวิปรินามะ ถ้าจำแนกตันหากิเลสบาปอากุศลก็แสดงว่ากำลังจำแนกอายุหนะนิธานะสังโยคะและปริโพธาถ้าจำแนกพระนิพพานที่ไหนก็กล่าวว่านั่นนิสรณนะวิเวกะอสังคตะและอมตะถ้าจำแนกอริยมรรคที่ไหนก็กล่าวว่านั่นเป็นนิยานิกะเหตุทัศนะและอธิปไตยนยนะ 16คำนี้ควรระลึกควรทรงจาควรเอาไปคิดเอาไปไข่ควรวนนะถ้าหากว่าเห็นอัดของสิบหกคเหล่านี้นี่โอ้โหใกล้แล้วนะใกล้เข้ามาแล้ว น, น, นะที่สุดแห่งทุกข์อยู่แค่เออมมันวิพาทวานี้พระองค์เอามาจําแนกหมดนะถ้าแบบพิสดารก็จําแนกเป็นปีดกสามนั่นแหละจาแนกพระเป็นพระวินยัยจําแนกเป็นพระสูตรจาแนกเป็น พระอภิธรรมพระอภิธรรมก็จำแนกไปอีกเจคัมภีร์แต่และคัมภีร์ก็มีมาติกาเนี่ยนะอย่างธรรมสังขีนี้นี่มีมาติกาเท่าไหร่ติกะมาติกายี่สิบสองทูกะมาติการ้อยหนึ่งสุตตัปปชนีสี่สิบสองวิพังค์นี่มีกี่วิพังสิบแปดวิพัง์จำแนกไปอีกสิบดใช่ไหมธาตุกระถามีสิบสี่หัวข้อใหญ่เนี่ยนะสิสี่หัวข้อใหญ่ ปุคละบัญยัติก็จำแนกบุคคลโดยประการต่างๆไปต้นนั้นสิ่งเหล่านี้พระองค์เอามาจำแนกแจกแจงอย่างพิสดารแต่การจำแนกทั้งหมดก็มีประโยชน์ที่ชัดเจน้วใช่ั้ยประโยชน์ของการจำแนกคำของพระองค์คืออะไรของคงไม่ลืมคำที่พระองค์ตรัสตอบพรมไปใช่ั้ยประตูอมะตะเราเปิดแก่ท่านแล้วเพราะฉะนั้นการจำแนกทั้งหมดคือเปิดเผยประตูแห่งพระนิพพานประตูแห่งความพ้นทุกข์นั่นเอง ส่วนในที่ห้าพัตวาพัตวาในที่นี้แปลว่าส่องเสพเนี่ยนะเพราะเหตุที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงครบทรงเสพทรงทําให้มากซึ่งธรรมะอันเป็นทิพพระวิหารพรหมวิหารอาริยวิหารซึ่งกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกซึ่งสุญญ า, าวิโมกัปณิหิตาวิโมกอนิมิตาวิโมกและซึ่งอุตริมนุสธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอื่นๆเพราะฉะนั้นเมื่อ เมื่อหน้าที่จะเรียกว่าพัตตวาแต่ท่านก็เรียกเสียว่าพระขาตามหลักนิรุติศาสตร์เนี่ยนะพระองค์มีวิหารสามนะถ้าแบ่งวิหารทิพภวิหารพรหมวิหารอริยวิหารแต่ไม่ยกอิริยาบทมานะถ้ายกมาเราก็ได้เหมือนกันนั่นแหละเราก็ยืนเดินนั่งนอนเต็นไม่ต้องยกยกทิพภวิหารทิพภวิหารคืออะไรรูปประชานและอรูปประชานทั้งหลายชื่อว่าทิพภวิหารเนี่ยนะ สมาบัติ8นั่นแหละเรียกว่าทิพวิหารส่วนพรหมวิหารสี่เรียกว่าพรหมวิหารอริยผลสมาธิทุกชนิดเรียกว่าอริยวิหารพระองค์ยังมีกายวิเวกพระองค์เนี่ยยินดีในที่เงียบยินดีในที่สงัดนะอันนั้นก็เป็นกายวิเวกของพระองค์นีพระองค์ตรัสว่าการที่ไม่มีคนอยู่ข้างหน้าไม่มีคนอยู่ข้างหลังเป็นความสุขอย่างยิ่งนะนะ โดยที่สุดแม่บทแบบโบราณไม่มีห้องน้ําใช่ไหมแม้กระทั่งการกับธาอุจรปัสสาวะก็เป็นความสะดวกใจเป็นอย่างยิ่งเหมือนกันท่นานพงค์เป็นผู้ที่สรรเสริญยกย่องในกายวิเวกจิตวิเวกหมายถึงสงัดจากนิวนพรพงค์สงัดจากนิวรด้วยปฐมฌานสงัดจากวิตกวิจารณด้วยทุติยฌานสงัดจาก ปีติด้วยตัติยะฌานสงัดจากสุขทุกโสมนัสโทมณัสด้วยจตุทัชฌานสงัดจากรูปสัญญาณนันตตาสัญญาปฏิฆาสัญญาไม่ใส่ใจในนันาณตาสัญญาด้วยอากาสารัญจายตนะสงัดจากอาการสารัญจายตนะด้วยวิญญาณัญจายตนะสงัดจากวิญญาณัญจายตนะด้วยอากินัญญายตนะสงัดจากอากินด้วยเนวะสงัดจากสัญญาด้วย สัญญาเวทายิตานิโรธ ด, ดับสัญญาและเวทนาโอ้สงัดจริงๆเลยนะต่างจากเราอะนะไม่ค่อยเงียบเลยเขาบอกว่าบางคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ได้แปลว่าเขาไม่คิดมากนะเขาไม่ค่อยสงัดทางความคิดสักเท่าไหร่ น, นะนัานก็สาวทั้งหลายโดยมากนี่ไม่ค่อยเงียบมันระงมไปหมดเลยในปากก็ยังระงมเลยนะโดยที่สุดแม้กระทั่งเราทั้งหลายถ้าไม่ฟังทำสนทนาทำก็ระงมอีกเหมือนกันสนทนาเสียงคร่ำไปหมดเลยนะ อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดามเพราะไม่ค่อยวิเวกมั น, นก็เป็นสภาวะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนี่มาดูต่อไปเรื่องอุปธิวิเวกนั้นพระนิพพานเป็นอุปเิวิเวกนะเพราะว่าสงังอาจากสังขารธรรมทั้งมวลไม่มีนามรูปทั้งหลายไปปรุงแต่งเลยแม้แต่นิดเดียวส่วนวิโมกสามสุญญาตาวิโมกหมายถึงหลุดพ้นด้วย อริยมรรคที่เป็นที่มีอนัตตานุปัสสนาเป็นปัจจัยอ น, น oh ok. ัตตานุปัสสนาเนี่ยเป็นปัจจัยแก่สุญญตวิโมกทุกขานุปัสส น, นานปจจเป็นปัจจัยแก่อปปนิหิตาวิโมกอนิมิตานุปัสสนาเขาว่าอนิจจานุปัสสนาเป็นปัจจัยแก่อนิมิตาวิโมกอันวิโ oh. มกสมก็คืออริยมรรคสามประเภทอริยมรรคสามประเภทนั้นก็เท่ากับบอกอริยผลไปในตัว ถ้าหากว่าสุญญตาวิโมกก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่สุญญตาสมาบัติอัปะนีหิตาวิโมกก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่อัปะนิหิตะสมาบัติอนิมิตาวิโมกก็เป็นปัจจัยที่สําคัญแก่อนิมิตาสมาบัติเพราะฉะนั้นสุญญตาวิโมกก็มีสุญญานิพานเป็นอารมณ์อัปะนิหิตาวิโมกก็มีอัปะนิหิตานิพานเป็นอารมณ์อนิมิตาวิโมกก็มีอนิมิตานิพานเป็นอารมณ์ แล้วพระองค์ก็ยังมีอุตริ ม, มนุสธรรมทั้งที่เป็นโลกิยะและโลกุตระอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวถึงณที่นี้เนี่ยนะไม่สามารถกล่าวถึงโดยพิสดารในระยะเวลาอันสั้นๆได้ความเป็นจริงแล้วพระไตรปิฎกนั้นเป็นวิชาที่อธิบายกันเองนั่นเมื่ออธิบายกันเองอย่างนี้เนี่ยนะไม่สามารถจะกล่าวที่ใดที่หนึ่งให้ครบถ้วนบริบูรณ์ในตัวได้เนี่ยส่วนในสุดท้ายเนี่ยนะ พระเวสุวันตาคมณะที่แปลว่าคายกิเลสเป็นที่เป็นเหตุให้เป็นไปในภพอันหนึ่งเล่าเหตุที่การไปกล่าวคือตัณหาในภพทั้งสามอันพระองค์คายเสียแล้วคิดง่ายๆนะของเราเนี่ยคิดอะไรบ้างที่หน้าปราถนาและเราไม่ติดคิดปับแช่อยู่ตรงนั้นเลยเนยอ่าถ้าหน้าปราถนาใช่ คิดไปปั๊บเนี่ยโอ้คิดได้นานนะนานนานจะมีไหมเที่ยงสักคำหนึ่งในสิ่งนั้นเข้าไปอ่ะนะเออนานเนี่ยนะกล้าคิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่บางทีก็ไม่กล้านะสมมตินะแหวะไปถึงลูกใช่ไหมเออมันไปอย่างนั้นอย่างนั้นองนัน้ไม่กล้าคิดนะไอ้ลูกมันก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่กล้าหรอกเนี่ยนะมันมันติดขนาดนั้นอะนะแต่พระองค์เนี่ยคายหมดเลย พระองค์ไม่มีนะวางไปในสังขารอันไหนก็ร้อนหมดสำหรับพระองค์ น, นะไม่น่าเข้าไปเพลดิดเพลินแม้แต่นิดเดียวคิดถึงสังขารธรรมใดก็ร้อนไปหมดของเราเนืกไปก็เย็นไปหมดะนะทั้งทั้นี้เปนเผาขนาดไหนเราก็บอกว่ายังเย็นยังเย็นยังเย็นไม่มีอะไรเย็นสบาย น, นะนะตรงกันข้ามกันหมดนะมีน่าอลยอยู่ได้นานนะ ค่อน <G ül> ข้างอย่างหนามันจําทนเนี่ยนะก็คนมีหนี้มันก็ร้อนอยู่บ้างแต่ว่าหนี้มันเยอะเนี่ยนะออกไม่ได้ง่ายๆแล้วกันติดหนี้ในพบอ่นนนอะนะคิดถึงชีวิตในพรุ่งนี้เราก็ไม่ได้รังเกียจอะไรเลยใช่ไหมถ้าจะมีอายุยืนอีกสิบปีเราก็ไม่ได้ทุกข์ร้อนอะไรก็ดีหมดเลยใช่ไหมนี่ถ้าแท่น ห, หน้าเป็นเทวดาก็ไม่เสียหายอา่ไม่เสียหาย เพราะาถ้าเป็นพรมก็ไม่รังเกียจแต่ถ้าอบายก็ไม่อยากไปสักเท่าไหร่ก็แต่ถ้าเราจะมีอบายอยู่ในบ้านก็ดีถ้าได้หมามาเลี้ยงนะถ้าพันโน่นพันนี่โอ้โหดีจริงๆถ้ามีนกเขามาร้องขันให้ฟังเช้าๆความสุขเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่อยากเป็นสัตว์ในอบายแต่ถ้ามีสัตว์ในอบายมาประดับก็จะดีสังเกตดูจากแม้สวนสัตว์ก็ไม่ค่อยพลาดใช่ไหม ไม่ค่อยอยากเป็นเดรัจฉานแต่ว่าขอดูเดรัจฉานก็ยังดีเหมืงกนกนก็ไม่ค่อยรังเกียจอะไรแล้วก็ไอความที่ชอบยังชอบสัตว์ทั้งหลายนั่นแหละก็ประกาศว่าไม่ได้ไม่ได้มีสัตว์ไม่ได้ลักษณะแบบคนจะบริจาคทันธุเลี้ยงสัตว์อนะไม่ใช่แต่ว่าแม้อยากเอาพันธุโน่นพันุ์นี่มาประดับเนี่ยนะก็ในยุคนี้เนี่ยโหคนรักสัตว์มากมากขนาดไหน มากขนาดว่าตั้งโรงพยาบาลสัตว์อาจจะไป็ดีอาจจะรวยกโรงพยาบาลคนก็ได้ <c oughs> เพราะคนนี้ห่วงสัตว์มากเลยนะอุ้มไปโรงพยาบาลนู้ <c oughs> ในห้องเรานี้ก็ใช้ย่อยซเมื่อไหร่ <c oughs> ชวนไปไหนก็ไม่ไปติดเลี้ยงหมา อ, อย่าไปว่าแกมากเลยแกเครียด <c oughs> ออนี่นะห้ามถ้าถ้านี่นี่นี่วันเดียวนะแตห่หลายวันไม่ได้หรอก <c oughs> ติดมากเอาเฮ้ยก็ระลึกถึงในด้านกุศลเอากันแล้วกันเนี่ยนะคิดตึกติดใจามากนะี่ไปเกิดเป็นเห็ดเป็นเหาอยู่แถวนั้นนะ่ะลําบาก <c oughs> บางคนเนี่ยรักมามากนะไม่จะไม่ทําบาปเพราะเหตุอื่นๆนะ แต่ว่าพวกเห็บพวกหมัดกัดหมาไม่ได้ต้องทำปาณาติบาตนะเห็นแก่หมาก็เลยฆ่าสัต์เลยบางคนน่ะเป็นอย่างนั้นเลยอ๋อถ้าทำได้มันก็ไม่มีปัญหาทำได้ไม่ล่ะสำคัญมันอยู่ตรงนั้นเราจะคิดถึงอะไรขอให้มีเมตตาก็คิดไปเธอเราไม่ไม่ว่ากันอยู่แล้วล่ะ ถ้าหากว่าเมตตาต่อหมานะให้เมตตาต่อเห็บด้วยเหมือนกันมีในห้องเรานี่แหละในแพทย์ท่านหนึ่งก็บอกว่าการุณาต่อพระญาติกับคนไข้เท่ากันว่างั้นนะก็มีบุญมากนะก็อนุมโมทนาด้วย <c oughs> คนก่คนไข้ไม่รู้ทำใจได้หรือเปล่าไม่ทราบนะ เวลาเวลาคนไข้มาหาบอกขอย า, อาพยาธนี่หมอหมอจะทำยังไงตอนศึกษาธรรมะเนี่ยศึกษาแรกๆเลยนะได้ยินไหมได้ยินไนหะผมผมก็ลังเลมากเลยเพราะว่าถ้าสมมติเราตรวจคนไข้ทั่วไปเนี่ยแล้วเขาขอยาทำพยาธิเนี่ย เกิดเราไม่ให้ก็จะลองเรียนได้เรื่องนี้เนี่ยผมทุ่สินหลายเดือนมากในที่สุดพจนวิปัสสนาไม่ไหวเลยเลิกเลย <c oughs> ก็บอกพัดลามตรงว่าไม่ได้บอกว่าผมทำไม่ได้ผมผมก็บอกว่าผมสรรมาทานสินห้า <c oughs> ก็บอกตรงๆะนะดีลล้วนั้นพระองค์นะพูดถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์คายการไปในภพจริงๆพระองค์ไม่ไปภพใดพระองค์ก็ไม่ไปเคยไม่ไปด้วยตันหาแต่ของเราเนี่ยมันไปไม่ได้ตั้งหลายแห่งตั้งที่อยากจะไปอันนี้ซึ่งซึ่งจะต่างกันอ่ะนะะร่างกายของพระองค์ก็โคจรไปหลายแห่งละ แต่ว่าไม่ได้ไปด้วยอํานาจฉันทราคะด้วยอํานาจกิเลสแต่ไปเพื่อสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายซึ่งจะต่างจากสัตว์ทั้งหลายที่เรียกว่าขาไม่ได้ไปคิดได้ไปคิดว่าได้คิดก็ยังดีนะพอใจมากนะนะว่าโดยสรุปทั้ง6อัฏฐะก็เพื่อจะอธิบายให้เห็นคําว่าพะควาแต่ถ้าในยะอื่นๆอีกมีขยายเยอะเช่น ในมหานิเทศใช่ไหมเพราะพระองค์จําแนกแจกแจงธรรมรัตนะเพราะพระองค์เป็นผู้มีส่วนแห่งจีวรบินทบาทเสนาสะนะเพศัตดิกีฬานับเพศาักบริขารพระองค์ส่องเสพในที่อันเงียบอันสงัดเพราะความที่พระองค์มีสติประธานสี่สัมมประธานสี่ที่บาทสี่อินทรี่ห้าพระละหา้าโพชฌงเจ็ดอริย ม, มัคมีองค์แปดเพราะความที่พระองค์นั้นมีอนุปภาพวิหารสมาบัติก้า 9, วิโมกข้าวแล้วก็ ตถาคตพลยาน1ิแล้วก็ยังมีพระคุณอื่นๆอีกมากฉะั้นคำว่าพัควานั้นเป็นคำที่ประกาศถึงความบริบูรณ์แห่งพระคุณทุกชนิดเนี่ยนะก็คือมีบริบูรณ์ในพระองค์ทั้งหมดพัควาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงคุณเช่นนี้แหละที่พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสมงคลเนี่ยนะมงคลทั้ง38มเนะฉะนั้นแสดงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ สัตว์ทั้งหลายอย่างแท้จริงมงคลนนั้นทั้ง38เนี่ยเป็นมงคลหรือเป็นเหตุแห่งความเจริญจริงจริงซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องชมนกชมไม้ซะส่วนใหญ่ก็คงผ่านไปก่อนเนี่ยนะพูดถึงต้นเหตุที่ทําให้เขาเรียกว่ามงคลเนี่ยนะมงคลมงคลเลยเนี่ยเป็นเป็นปัญหาที่ที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยเข้ามาคุ่นคิดกันว่าอะไรคือมงคล เข้ามาคิดกันนะอะไรคือมงคลอย่างสมัยนี้เนี่ยคุยคาว่ามงคลนี่ชักยุ่งแล้วใช่ไหยอะไรนัคือมงคลเขามองเป็นวัตถุสมัยใหม่เลยใช้คำใหม่วัตถุมงคล น, น, นะนะมงคลวัตถุวัตถุมงคลเนี่ยนะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วถ้าหากว่าผู้ที่ติดใจในลักษณะวัตถุที่เป็นมงคลเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรจากสมัยโบราณนะักเพียงแต่ว่าแบบฟอร์มมันต่างกันนิดนหน่อย แต่ถ้าว่าโดยรวมๆกเม็เหมือนกันอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาก็ถกกันเรื่องมงคลว่าอะไรกันแน่คือมงคลในหน้า163ก็เป็นข้อถกกันในเรื่องมงคลบางคนก็บอกว่าสีที่เห็นสิคือมงคลอันนั้163นะ16นะเขากถกกันว่าอะไรคือมงคลใช่บางคนก็บอกว่าสิ่งที่เห็นเรียกว่ามงคลคนที่ถือสิ่งที่เห็นเป็นมงคลเรียกว่าทิฏฐมังคลิกะ นับถือสิ่งที่เห็นว่าเป็นมงคลเช่นเห็นรูปใช่ไหมบางคนถ้านับถือนกก็เห็นนกกระเต็นก็เป็นมงคลอย่างงี้นะพวกนับถือต้นไม้แหละต้นโป้ยเซียนอย่างเงี้ยนะโอ้เห็นต้นโป้ยเซียนแล้วก็เป็นมงคลต้นมะยมนะนี้ก็เรียกถ้าโบราณนี่แขกรู้จักแต่ต้นมะตูมมั้งต้นมะตูมมงคลนะเนี่าน้ำเนี่ยต้นพุทาเขาไม่เอาต้นมะยม ก็ขนุนขอืมก็พวกสมัยนี้นะเป็นพวกไม้ประดับทั้งหลายเนี่ยเป็นมงคลเห็นไหเพราะบางต้นเนี่ยโอ้โหแพงมากานะะบางกลุ่มนี่ก็ไปชอบกลุ่มไม้ดอกไม้ประดับมาเนะ่ยโอ้โหเห็นคือไม่มงคลมันก็มงคลในใจอ่ะนะเพราะว่ามันไม่ได้ดูมันไม่มีความสุขนะถ้าได้ดูแล้วมันมีความสุขมากบางพวกนี้ชื่นชมต้นไม้จริงๆเห็นไหม บางพวกก็ชื่นชมนี่แหละถ้าใครเนี่ยเห็นหญิงมีคันก็ถือว่าเป็นมงคลบางคนก็บอกต้องดูเด็กหนุ่มสิบางคนบอกแม้ถือการแต่งตัวนี่เป็นมงคลบางพวกก็ถือว่าการเทินหม้อน้ําหมายาว่าแบกแขกนี่ไม่แขกเขาบอกว่าแขกไม่ค่อยใช้ใช้กําลังหรอกเขาใช้แต่หัวเพราะฉะนั้นทุกอย่างใช้หัวทูนหมดนะนะนั่นถ้าเทินหม้อน้ําก็เออก็เป็นมงคล บางพวกชอบเดรัจฉานชอบสัตว์น้าก็ดูปลาตะเพียนสิเป็นมงคลบางคนก็ชอบสัตว์บอกบอกไม่ได้ต้องมาสิมาอาชาในบ้างพวกนับถือรถก็บอกเห็นรถสิเป็นมงคลบางพวกก็พวกเลี้ยงวัวเลี้ยงอะไรก็นับถือเห็น โ, โคเนี่ยเป็นมงคลบางพวกก็ถือว่าการเห็นรูปนะแล้วแต่จะสมมติกันขึ้นว่ารูปอะไรเป็นมงคลสมัยใหม่เขาเราียกว่าวัตถุมงคลก็ปั๊มสารพัดรูปออกมาเพื่อจะให้เห็นว่า เป็นมงคลเนี่ยส่วนบุรุษคนที่สองเขาก็บอกว่าเขาชอบมุสุตตะมงคลมากกว่าเพราะก็ถือว่าทางตาเนี่ยนะมันก็เห็นของสะอาดบ้างของไม่สะอาดบ้างถือเอาเป็นมงคลไม่ได้หรอกต้องทางหูสิว่า ง, งั้นอะไรละ่ะเป็นมงคลบอกคําดีๆใหม่ๆก็ฟังเพลงนัง่นแหละเป็นมงคลเด็ะนะตือนเช้ามาก็ฟังเพลงอ่ะนะเช่นคํา หรืออะไระคาที่เรียกว่าชื่นชมต่อกันน ะ, จะเจริญแล้วจเจริญอยู่เต็มเขาดีใจสิริจเจริญด้วยสิริวันนี้ฤกษ์ดียามดีมงคลดีแล้วแต่จะสรรหาคาใดคำหนึ่งที่เขาถือว่าเป็นมงคลเพราะถือตัวเสียงว่าเป็นมงคลพวกที่สามก็ปฏิเสธทั้งเห็นทั้งได้ยินว่าเป็นมงคลว่าพวกบางพวกก็ถือกลิ่นว่าเป็นมงคลถือเอาพวกเครื่องหอมดอกอะนะ ของหอมทั้งหลายว่าเป็นมงคลบางพวกก็ถือเอาทวารลิ้นว่าเป็นมงคลบางพวกเอาถือเอาทวารกายว่าเป็นมงคลมันนับถือถ้าว่าไปรวมๆแล้วแต่จะนับถือมงคลทวารไหนบางพวกก็นับถือทวารตาว่าเป็นมงคลนี่แหละบางพวกก็นับถือทวารหูว่าเป็นมงคลบางพวกนับถือทวารจมูกว่าเป็นมงคลบางพวกนับถือทวารลิ้นว่าเป็นมงคลบางพวกก็นับถือทวารกายว่าเป็นมงคล แล้วเรามงคลทวารไหนอ่ะหรือทุกทวารเลยอนะก็บอกว่ามันอยู่ในมงคลข้อไหนหล่ะสามสิแปดมงคลเนินนะเพเราเานับถือตามมงคลสามสิบแปดใมงคลทั้งหมดที่กล่าวเนี่ยมันมงคลผิดนะไม่ใช่มงคลที่พระพุทธเจ้ายอมรับอ่นนมงคุมงคลนอกศาสนาเนี่ยนะเหตุแห่งความเจริญนอกศาสนา เหตุแห่งความเจริญในศาสนาเราถือว่ามงคลส8เป็นเหตุแห่งความเจริญนะส่วนมงคลข้อนี้มันมงคลในความคิดนะคือเขาเชื่อว่าเป็นมงคลอันนี้เป็นทิฏฐินะเป็นมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งนะถ้าสมาทานยึดถือมากๆไม่แนะ่นำเกิดได้นะสมมตินะถ้ายินดีในสีเนี่ยถ้ายินดีในสีที่เห็นมาเนี่ยนะควรจะเกิดเป็นอะไร อันนะั้นก็ไม่รู้ว่าสายพันธุ์มาก็าตามเถอเพราะฉะนั้นถ้ายินดีในจักขคู่ทวารเนี่ยนะซึ่งไปดูสีต่างๆถ้าไปติดข้องในสีอันนั้นเนี่ยคืออะไรจะเกิดขึ้นก็ไปไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ายินดีในทวารสียงเนี่ยนะได้ยินเสียงต่างๆแล้วเพลิดเพลินเนี่ยกําลังฟังเพลงแล้วจุติเลยเนี่ยนะควรจะเกิดที่ไหนดีแย่เลยนะ ทวารจมูกนะกาลังดมของหอมหายใจเข้าลึกๆพอดีมันมีสารพิษตายพอดีเลยตอนนั้นนะ เ, <น>เกิดที่ไหนไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะกําลังทานอาหารอร่อยอร่อยแล้วตายเลยอะ่ะก็ไปไม่ค่อยดีอีกเหมือนกันนะนะทวารกายแหละเพราะฉะนั้นผู้ใดที่เพลิดเพลินในปัญจทวารเหล่านี้เนี่ยนะถ้าติดถ้าข้องถ้ามีทิฐิถือเอาสาระจากทวารเหล่านี้หรือถือเอาทวารเหล่านี้ว่าเป็น สาระทางธรรมะถือว่าไปไม่ดี น, นะไปไม่ดีเนะเป็นเป็นการไปที่น่าหน้ากรุณาเอามากเพราะฉะนั้นอย่าได้เป็นเช่นนั้นเลยนนะสิ่งเหล่านี้มันเป็นมงคลในทิฐิไม่ได้เป็นมงคลที่เป็ น, เ, ปนเห็นเป็นเหตุแห่งความเจริญอย่างอย่างแท้จริงอะไร